โดยสม่ำเสมอวันนั้นเมื่อเราประกอบคุณงามความดีอย่างนี้โดยสม่ำเสมอแล้วความดีก็จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราไปนัชสถานที่ใดอยู่นัชสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าปฏิบัติได้หรือว่าทำได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะพวกเราอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความสงบผาสุข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 ตัวยอยู่ติดกับตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ของทำได้ได้ง่ายแต่ทาถ้าว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นฮะมันก็ไม่ใช่ของยากเหมือนกันมันทำได้เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำมาแล้วทาอย่างนี้ท่านทามาแล้วในเมื่อเราทำท่านทำมาแล้วเราก็ทดลองทำอย่างที่ท่านทำดูซินะนี่นะ อย่งองหลวงตานี่ท่านก็บอกว่าท่านกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกออกบริกรรมโทแต่ก่อนท่านกําหนดธรรมดากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันมันเผลอ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 ใหม่ๆท่านว่านะวัน2วันแรกโอ้โหมันทุกจริงๆท่านว <c oughs> ่ า, ม, ามันสู้กับอารมณ์ที่จะบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะอันนี้ก็เราก็ฟังเอาไว้จากนั้นท่านก็ บ, บังคับสามวันที่3 ท, ที่สี่จิตใจอยู่กับตัวเองนิ่งพอนิ่งขึ้นมาแล้วจิตใจอยู่กับตัวเองเราจึงประกาศว่า